วันนี้ก็เป็นวันทำบุญขึ้นปีใหม่น้ะก็ปีใหม่ทุกวันนั่นแหละตะวันขึ้นทางตะวันออกไปลงตะวันตกมันก็ปีใหม่อีกหละคู่นี้ก็ปีใหม่อีกนะเพราะฉะนั้นปีใหม่ก็ยังมีทุกวันทุกวันก็ถือว่ายังไม่หมดวาระปีใหม่พอศสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ด ญาติโยมทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธก็บางทีก็กะจะเอาปีใหม่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างนั้นก็มีบางคนว่าปีใหม่อยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีไม่มีใครคิดว่าลปีใหม่แล้วอยากจะเป็นคนทุกข์อยากจนไม่มีหรอเนาะ ก็อยากจะเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีแล้วก็ครอบครัวมีความสุขความเจริญแต่เราจะหาความสุขได้ทางตาหูจหมูกลิ้นกายอย่างนั้นหรือหรือจะมีมากไปกว่านั้นไปอีกทุกวันนี้เรามีความสุขทางตาตาไปเห็นรูปที่ชอบใจ ว่าเป็นของเราอย่างนี้เราก็มีความสุขเห็นคนสวยๆงามๆเห็นคนหล่อๆถูกใจอันนี้เขาว่ามีความสุขทางตามีความสุขทางหูก็ได้ยินเสียงที่สรรเสริญเสียงเยนยอแล้วก็เสียงเพลงที่ไพเราะถูกจิตใจเขามีความสุขทางหูมี ความสุขทางจมูกอในดมกิ่นที่หอมถูกใจถ้ากิ่นที่เหม็นก็ไม่ไม่ถูกใจเหมือนกันอ่ะอันนี้มีความสุขทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เหมือนกันอ่ะนะแต่อความสุขทางใจจริงๆอ่ะเราต้องเข้าถึง ท่านว่าเข้าถึงความสุขจริงๆมอนกับพระในเจ้าเข้าถึงมันคงจะยาวแต่ความสุขที่ใจเข้าไปถึงอารมณ์ที่นี่ไม่ใช่ตาหูจมูกดิ้นกายนะเป็นอารมณ์ธรรมอารมณ์ก็คือปิติสุขวิติสุขจะได้จากองค์ของฌานก็ก่อเหตุจากต้นของฌานท่านว่าวิตกวิจารปิติสุขเนี่ย ไม่ไ ม, ไม่ไม่เอิงกับตาหูจมูกดิ้นกายนะทีนี้อันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องลำดับภาพแห่งความสุขแต่เราไม่ค่อยจะเข้าใจนี่แต่ว่าเออชอบนั่นเออไม่ชอบนี่เฉยแต่เราไม่รู้ต้นเหตุของมันอันนี้ทั้งหมดความสุขในธรรมมาล om บางคนเข้าไปถึงความสุขเช่นนี้ จะอุทานออกมาในใจโอ้ความสุขอย่างนี้เราไม่เคยเจอในโลกมนุษย์ก็จริงอ่ะเพราะว่ามันเป็นอารมณ์ของฌานท่านเราเป็นถ้าตายไปก็เข้าสู่พรห ม, มโลกไม่ใช่อารมณ์ของเทวดาเป็นอารมณ์ของพรหมคือรูปฌานนะรูปฌานสมัยหลวงพ่อบวชมาใหม่ๆเจ็ดวันหลวงพ่อก็ตึกในใจอย่างนี้แหละโอ้ ได้ความสุขอย่างนี้เราไม่เคยเจอในโลกมนุษย์ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเลยถึงจะดีเจอเท่าไหร่อันนั้นก็ไม่ใช่แล้วที่นี่ความสุขที่ถาวรจริงๆท่านวอาเป็นบร ม, มสุขครูภูดาเจ้าตรัสว่านี่พานังปรมังสุขขังบุคคลที่ได้เข้าถึงเหตุแห่งความบริสุทธิ์แล้วหมดจดจากเครื่องผูกมัดเครื่องพันธนาการ จากวัตฏะแล้วนั่นแหละคือความสุขที่ถาวอนะ้นัะเป็นบรมสุขอันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องเหตุกับผลให้ฟังใครหละจะเป็นคนที่เข้าถึงเหตุอย่างนี้นอย่างนั้นก็มีแต่มนุษย์เทวดาก็ไม่สามารถเป็นได้พรมสิบหกชั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงความสุขอย่างนั้น แต่มนุษย์ทำได้พระพุทธองค์จึงตัดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐเห็นไหมแล้วในนี่ใครเป็นมนุษย์บ้างยกมือสิยกหมดเลยหัวหน้าก็ยกมือเดียวนไหมเอาสองมือแล้ว <laughs> พระพุดธเจ้าตัดว่ามนุษย์สมบัติให้ที่เรานั่งเดี๋ยวนี้เรามีบุญเก่าได้สมบัติมนุษย์มาเกิด แต่ให้มนุษย์สมบัติเราต้องฝึกเองหัดเองมนุษย์มีสมบัติอยู่สองอย่างอะไรบ้างเอาหัวหน้าตอบก่อนดิมนุษย์มีสมบัติอยู่สองอย่างอะไรบ้างถึงว่าเป็นมนุษย์เมื่อกี้เห็นยกหมดเลยเนะี่ยเป็นมนุษย์ <c oughs> ใจกับเหตไปเลยอันนี้กายกับใจอันนี้ก็เหมือนกันก็อะไรนะ้ำหัวหน้าว่างเงนะรูปสมบัติรูปสมบัติแล้วก็นามสมบัติเอ้าคนหัว ส, สวยๆนี่ตอบหน่อยได้ไหเมื่อกี้หลวงพ่อดูแล้ว มนุษย์มีสมบัติอยู่สองอย่างทําไมถึงหลวงพ่อถึงถามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไงศักยภาพของมนุษย์นี่มีมหาศาลมนุษย์เดินทางไปสู่สวรรค์ได้มนุษย์เดินทางไปสู่พมโลกได้มนุษย์เดินทางไปสู่นิพพานได้แต่ภูมิเหล่าอื่นไปไม่ได้พุทธองค์จึ่งตัดว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐหลวงพ่อจึงถามหามนุษย์เพราะเราบําเพ็ญมาเยอะแล้วนไง ครูบาอาจารย์มีแต่พระอรเยเจ้ามาเทศถ้าเราไม่เข้าถึงสักทีแล้วเวลาก็ล่วงไปล่วงไปตะวันมันก็ขึ้นไปแล้วก็ลงไปแล้วก็หมดเวลาแล้วนเราจะทายังไงเหมือนกับคนตาบอดเนี่ยเดินหลงทางแล้วเราก็ว่าเราตาดีนั่นแหละแต่ฟังเสียงอะไรเราก็ยังสงสัยพอมือไปคําถูกอะไรเราก็ยังสงสัยแต่ถ้าเรายังไม่ลืมตาเมื่อไหรเราก็สงสัยไปตลอดนั่นแหละ เขาชวนไปไหนเราก็สงสัยหมดสงสัยว่าจะใช่หรือไม่ใช่แต่ต้องไปเ <c oughs> มื่อไปําถูกก็เหมือนกันท่านวัปุถุชานั낭ปุตุชนคือคนที่ตาบอดถึงจะเรียนจบประโยคนเก้าถึงจะรู้ธรร ม, ฟ, มฟังมาเท่าไหร่แต่ถ้ายังไม่ลืมตาก็ยังตาบอดอยู่นั่นแหะท่านว่ัปุตุชนถ้าตาดีพระดงจึงกล่าว่าท่านผู้มีจักษุท่านผู้มีดวงตาเหมือนกับในธรรมจักเห็นไหม จักคุ้งอุทธาปาธิญานางอุทธาปาธิปัญญาอุทธาปาธิวิชาอุทธาปาธิอโลโกอุทธาปาธิใช่ไหมจักษุได้เกิดแล้วดวงตาได้เกิดแล้วญาณได้อย่างรู้แล้ว น, น, นั่นคือพระโสดาบันพระโสดาบันนะ่ะเขามีจักษุมันกับนางวิสาขามหาอุบาสิกาเพียงเจดขวบแคนั้นพระองค์แต่ว่าท่านผู้มีอายุ ท่านผู้มีดวงตาทําไมล่ะเขาไม่ได้เห็นเรียนอะไรเลยแต่จิตดวงนั่นอ่ะปฏิเสธแม้ได้เมื่อมีกําลังเข้าถึงก็ต้องลืมตาเหมือนกับไข่ไก่ที่มันอบอุ่นพอแล้วมันก็ต้องเบาะของในตัวเขามันเองอ่ะก็ <c oughs> เหมือนกันผู้ที่ได้บำเพ็ญอินทรีย์บ่มอินทรีย์มาหลายพบหลายชาติ แล้วมันแก่เตรียมที่แล้วมันก็ต้องลืมตาแน่แนทันว่าพระสูดาบันอันนั้นเราไม่ผิดแน่ไม่หลงทางแน่พร ม, มโลกสิบหกชั้นเนี่ยยังเป็นปุถุชนอยู่ยังหลงทางอยู่ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ก่อนมาบำเพ็ญวันเราจําชาติไม่ได้มันเราเนี่ยนะเทวดาหกชั้นเนี่ยมีใครได้ยินไหมละ่ะเทวดาหกชั้นบำเพ็ญไปนิพพานมีไหมพรมสิบหกชั้นบําเพ็ญไปนิพพานมีไหม ต้องมาเป็นมนุษย์ก่อนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อยึงถามหามนุษย์เอา้ายังไม่มีใครตอบหลวงพ่อเลยมนุษย์มีสมบัติอยู่สองอย่างอะไรบ้างนั่งให้เต็มที่เลยนะอยา ก, กระดูกกระดิกจนหลวงพ่อจะเอวังเราจะเข้าใจ ว่าเรามาเพื่ออะไรไม่ใช่มาเพื่อเพลิดเพลินแล้วก็หมดเวลาในโลกมนุษย์ไม่มีใครได้เป็นสมบัติมาแค่อาศัยแล้วก็หาจินสร้างบา ร, รมีแะนั้นแต่เราจะหมดเวลาถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์อา้าวตอบสิมนุษย์มีสมบัติสองอย่างอะไรบ้าง ฮ <Huh? S 2> ค, ความละอายต่อบาปแล้วอะไรอีกละ่ะมันมีอยู่สองอย่างฉิ น, ป, น, นปัญญาปัญญาโอ้มีแต่พระมีแต่ผู้ปฏิบัติล้วนๆเลยเนาะ <c oughs> มันกลายมนุษย์ไปเลย <c oughs> มนุษย์มีสมบัติสองอย่างหนึ่งทานสองสินห้า พระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์สมบัติบุคคลนั่นแหละคือมนุษย์ตายจากมนุษย์แล้วเกิดเป็นมนุษย์อีกได้ทานคือฝึกการเสียสละไม่ใช่ทานคือไปวัดนะฝึกการเสียสละช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์บุคคลอื่นสาเืินฝึกให้เป็นนิสัย แล้วก็เตือนเราให้เป็นท่าน่าสอนเราให้ได้ลุงพ่อไปทุดงคนเดียวองค์เดียวเนี่ยลงพ่อสอนตัวเองไม่ได้ไปสอนคนอื่นเวลามันกลัวมาก็เอาธรรมะมาสอนมันเวลามันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจะท้อแท้ก็เอาธรรมะมาสอนมันอันนี้เราสอนวิธีเรื่องฐานก็เราอย่าดูถูกมินประมาทคนอื่นใจเราจะตำ่ำ เราอย่าว่าร้ายใส่ล้ายคนอื่นบุญเรามันจะน้อยรู้จักเอื้อเฟื้อนุเคราะห์สงเคราะห์แม้แต่การให้อภัยคนอื่นท่านว่าภัยทานถึงเราจะชังเขาเท่าไหร่ถ้าเขาทำดีเราก็อนุโมทนาส่วนดีกับเขาท่านว่าปัตตานุโมทนาทานอันนี้คือการปฏิบัติเรื่องทานเป็นการขัดเราใจของเราให้มีสติแล้วก็เสียสละถ้าเราไม่เสียสละมานก็มัดเราได้เลย ถ้าเราขัดเคืองใจปุ๊บถ้าเราไม่มีสติอภัยให้เขาปุ๊บมารมัดเราเลยขัดเคืองใจโกรธอาฆาตพยาบามตรปองไล่มาไล่เขาหลากเข้ากรงขังถูกเผาเล่าร้อนกระวนกระวยเป็นทุกข์อันนี้เครื่องมือของมารพระองค์จึงสอนให้เราเสียสละอันนี้คือวัดของมนุษย์วัดแรกธนวทา น, นวัดวัดที่สองคือศีลวัดมันฝึก เจตนาเหมือนกับพุ้ดองตัดในบทหนึ่งว่าเจตนาหังพิฆเวสีหลังวัดามิตถาคตกล่าวว่าตัวเจตนาคือตัวศีลเจตนาคือความตั้งใจไม่ใช่ขอกับพระแล้วมันจะมีศีล น, นะไม่มีเราต้องฝึกเองพระที่ไหนจะตามรักษาศีลช่วยเราเราต้องฝึกหัดเองตื่นขึ้นมาตอนเช่ายกมือขึ้นเลย ห้าข้อเราจะไม่ล่วงเกินถึงความโลภความโกรธจะมาบังคับความโลภจะมายั่วมายุเราก็ต้องอดทนไม่ใช่ว่าแล้วเฉยนะต้องปฏิบัติเหมือนกับปฏิบัติเรื่องทานนะนะั่นแหละพอพอพอว่าแล้วจบอายุงก็บินปี้มากัดหูบับ๊บเลยยกตัวอย่างเชย ยกมือจะอัดมันแต่ถ้าเราตั้งสติทั น, นเ อ, อิไม่ได้นะถ้ามันตายเราก็ผิดศีลนะสิแ น, น, น่อันนี้คือรักษาศีลไม่ใช่ขอกับพระหรอกอันขอกับพาะเป็นพิธีเคยเห็นลุงพ่อบวชมาตั้งเกือบสี่สิบปีแล้วไม่เคยเอาศีลให้โยมเลย <c oughs> สักตัวเดียวก็ไม่ได้โยมก็ไม่ได้แตสักตัวมันกันมันเป็นพิธีเฉยๆ แต่รักษาศีลเนี่ยมันเป็นชีวิตประจำวันมันไม่ใช่พิธีตั้งแต่ตื่นขึ้ น, น่ะจนเรานอนหลับไงอะไรจะมาหาเราบ้างไอ้ห้าข้อไนะบางทีเขาก็สาวสวยงามๆเดินมาควักเราชวนเราไปรีสอร์ดีไหมเราก็หันหน้าหันหลังมาเห็นเมียตัวเองก็จะไปแล้ว แต่พอตั้งสติได้เออไม่ได้นะถ้ากูล่วงเกินไปสินกูก็ขาดแต่ส่อันนี้ต่างหากคือการรักษาศีนบางบังเ อ, อิญบางทีเราเดินตามหลังเขานะไอ้ถุงใอ้ถุงกระดาษตกตุ๊บลงเงินก็ซาะออกมีแต่ใบละพันหันหน้าหันหลังไม่มีใครเห็นเนาะไอ้ความรู้มันยั่วเรา <laughs> มันยั่วเราแต่ถ้าเราเอานะ่ะเราก็ หมดโอกาสแต่ถ้าเราตั้งสติทานเฮ้ยไม่ได้ถ้าเราล่วงเกินไปศีลเราก็ขาดสจก็จับจับไปเอาให้เขาเขาก็ดีใจเราก็ดีใจจากวันนี้ถึงพรุ่งนี้เราก็ได้ศีลหนึ่งวันเต็มเลยเพราะมันผ่านไปได้วยความตั้งใจอันนี้คือการรักษาศีลตื่นขึ้นพรุ่งนี้ยกมือขึ้นห้านิ้ว ถ้าข้อเราจะไม่ล่วงเกินทำอย่างนี้ทุกวันไม่ได้เค้่งเครียดเคร่งคัดนะทาหน้าที่การงานไปเหมือนเดิมแต่เราจะมีสติกับเจตนาห้าอย่างเหมือนกับฝึกสติเบื้องต้นนั่นแหละฝึกใจให้ตั้งมั่นเบื้องต้นก็ว่าได้ไอสองอย่างนี่ทานวัดศีลวัดเข้าถึงสองวัดวนะนะ วัดสุดท้ายภาวนาวัดวัดในพุทธศาสนามีอยู่สามวัดพระดวงจึงตรัสว่าผู้ใดมีวัดอันงามสม่ำเสมอผู้นั้นจะไ่ตกไปสู่ที่ชั่วที่เลวซ้มถ้าเราไม่มีข้อวัดปฏิบัติแล้วเราจะภาวนายัางไงวันไหนที่ขยันหน่อยก็โอ้ดีใจจิตสงบดีว่างไหนวุ่นวายก็ไม่เอาแต่เราจะได้วุ่นยังไงเรารอจะไปวัด จะเอาไปเอาบุญอยู่กับวัดนนทนบางทีผ้าทําไม่ดีเราก็โอ้ยวัดก็ไม่ดีวัดนนท์ก็ไม่ดีวัดนี่ก็ไม่ดีหลวงพ่อนี่ยก็ไม่ดีตามที่จริงบาปกับบุญมันอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่วัดบุญอะมันอยู่ที่เราเหมือนกับเหมือนกับผู้องผู้ดวงตัดว่ามโนโบุพังคมะธรร ม, มามโนเสียขามโนโมายาใช่ไหมล่ะทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจประเสริฐสําเร็จประโยชน์อยู่ที่ใจ เพราะฉะนั้นอ่ะใจไม่ได้ไปอยู่วัดเนี่ยก็อยู่ที่เราเพราะฉะนั้นบาปกับอบุญมันก็ต้องอยู่ที่เรานะที่แต่ถ้าเรามีสติท่านว่าสติธรรมถ้าเรามีวิริยะท่านว่าประครับประคองใจไม่ให้หวันไหวกับสิ่งที่มากระทบท่านว่าวิริยะธรรมถ้าเรามีความอดทนท่านว่าขันติธรรมเมื่อทำสามอย่างนี้ปรากฏขึ้นไอ้ความโกรธที่มากระทบอ่ะหรือความโลภที่มากระทบมันก็ ผ่อนคลายลงใจเราก็ตั้งมั่นในขณะนั้นทัานว่าขณะจิตนั้นน่ะเขาว่าสมาธิทมเมื่อมีสมาธิคือใจตั้งมั่นในขณะนั้นน่ะปัญญาก็มีช่องที่จะเกิดได้ไม่ใช่ปัญญาคิดเอานะปัญญาปัจจุบันอันนี้คือการเดินทางของจิตที่สม่ำเสมอไม่ใช่ว่ารอการรอเวลา พระพุทธองค์ตรัสในบทหนึ่งว่าอากาลิโกไม่เรียกการไม่เรียกเวลาไม่เรียกสถานที่ยืนเดินนั่งนอนปฏิบัติธรรมได้ตลอดไม่ใช่ปฏิบัติธรรมต้องไปเข้าวิธีไปใส่ชุดขาวไปใส่ชุดเหลืองมันไม่ใช่อันนั้นเป็นพิธีเป็นรูปแบบไปอวดไปอ้างกันแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วก็สาธุไอ้ส่งเงินมาเรื่อยๆน้องพ่อก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะมันไม่เข้าถึงธรรมพระพุทธองค์จึงตรัสว่า บุคคลที่มีข้อวัตรปฏิบัติคือฝึกหัดตนเองให้เข้าถึงวัดจริงๆอ่ะพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดมีวัดอันงามสม่ำเสมอผู้นั้นจะไม่ตกไปสู่ที่ชั่วที่เลวทรามเหมือนกับว่าธรรมะทาลิทาลีนั่นแหละผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกตำ่ำเพราะฉะนั้นการเข้าถึงวัดจริงๆคือวัดแรกนะ่ะธานวัดศีลวัดวัดสุดท้ายคือภาวนาวัด สามวัดเนี่เราไม่ตกต่ำแต่ไอ้วัดที่หลวงพ่อว่ามันมาเข้ากับมนุษย์สมบัติเห็นไหมเราได้มนุษย์สมบัติมาเกิดเนี่มีบุญทุกคนแต่เราจะถึงซึ่งความเจริญรุ่งเรืองต้องอาศัยคำสอนพระพุทธเจ้า คนที่รวยกว่าเรามีเยอะไหมประเทศฝรั่งมีเยอะประเทศแขกก็มีเยอะกว่าเราถ้าจะเทียบนะถ้าว่าจเจริญทางวัตถุแต่จิตใจของเขาจเจริญมีความสุขไหมถ้าไม่ใช่ศาสนาธรรมคำสอนของเจ้าแล้วไม่มีทางเลยมีเตามีแต่เปตามความโลภโกรธหลงแต่ศาสนาธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นเครื่องส่องสว่างในที่มืด เหมือนกับน้งพ่ออยากจะพูดว่าถ้าเราเกิดในมาเป็นมนุษย์เมื่อไหร่ได้พบพระพุทธศาสนานั่นแะเราจะต่อยอดได้ไอ้เรื่องเกิดแก่เก็บตายน่ะมีทุกคนเรื่องบมเพนไปสู่สวรรค์หรือพร ม, มโลกน่ะเขาก็ทำมาก่อนพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรื่องทีจ่จะเจริญสูงสุดน่นน่ะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ออกจากพบได้นอกจากนั้นออกไม่ได้ เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดที่จะบำเพ็ญได้พร ม, มโลกทําไมถึงไปนิพพานไม่ได้เพราะเขาไม่ประกรอบด้วยอริยสัจสี่เทวดาหกชั้นทําไมบำเพ็ญไปนิพพานไม่ได้ก็ เ, เพราะไม่มีอริยสัจสี่ให้บให้พิจารณาก็เลยไปไม่ได้แต่มนุษย์ประกรอบด้วยทุกสมุทัยในโลหมรักคืออริยสัจสี่ ต้องให้พิจารณาได้อันนี้คือเหตุแห่งความเจริญหลวงพ่อไม่ได้กล่าวเรื่องความเจริญของทางวัตถุไอ้วัตถุน่่ะเขาเจริญกว่าเราตั้งเยอะตั้งแยะมีมากมายแต่จิตใจเจริญน่ะมันหาได้ยากเหมือนกับมนุษย์นี่แหละที่นี่หลวงพ่อพูดเรื่องมนุษย์จบแล้วใครไอ้มนุษย์ยังเหลือมหมยกมือ้สิบาง หลวงพ่อนึกว่าจะยกมือเกาอ่าหูง่ายหลวงพ่อไปเทียดอยู่ที่ขอนแก่นมาให้เลยขอนแก่นเขาจัดนั่นแหละอธิการบดีว่าหลวงพ่อเรื่องเทศศักยภาพของมนุษย์ให้ฟังหน่อยหลวงพ่อเลยถามว่ามีมนุษย์ไหมยกมือสียกมือหมดเลยสองร้อยกว่าชีวิตมีแต่ด็อกเตอร์ทั้งนั้น หลวงพ่าอที่ใบเรื่องมนุษย์ให้ฟังสองนาทีจบหลวงพ่าอาถามกับมนุษย์เหลือไหมเยอะกว่าที่ไม่มีเลยเพราะเขาไม่เข้าใจว่ามนุษย์คืออะไรเขาเรียนจบสูงสูงเขาเชื่อว่าเขามีเงินเยอะแล้วก็มียศแล้วก็มีการเรียนที่สูงเขาว่าสูงแล้วแต่ไม่ใช่ไอ้สูงก็คือใจสูงถ้าว่าร่างกายเนะี่ยเป็นเหตุใช่ไหมเวลาเรานอนหลับอะ่ะ มันว่าอะไรไม้ร่างกายคือจิดออกจากล่างเอาพูดตรงๆจิตออกจากล่างกายมีทิฏฐิมานะไหมไม่มีสักอย่างเลยอเจริญก็ไม่มีเสียมก็ไม่มีตกลมเข้าลงเบาเฉยๆแต่ไอ้จตไอ้เสียไอ้สูงไ อ, สอง้ไอไอส่งไอ้ต่ำไอ้สูงหรือเจริญหรือเสียมมันอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่ยศไม่อยู่ที่ฐานะและร่างกายหรอกใจดวงนั่นแ่ะแต่ถ้าใจ มีข้อวัดปฏิบัติอย่างที่พระพุเจ้าตรัสนั่นแหละใจสูงแน่ๆเพราะสูงกว่าอารมณ์แห่งลบความโลภเพราะสูงอารมณ์แห่งความโกรธสมมุตนไพรโยมมีเงินสักร้อยล้านมีบริษัทใหญ่จยางด็อกเตอร์เวาสักห้าคนแต่ถ้าด็อกด็ดดดดกเตอร์ห้าคนเขาไม่ไม่ได้เป็นมนุษย์เลยไปนอนอยู่บ้านเรากินอยู่บ้านเราเราจะนอนสะดุ้งกลัวไหม เขาเล่นเมียเราก็ได้ขโมยของเราก็ได้ฆ่าเราก็ได้โกหกเราก็ได้ใช่ไหมนั่นแหละแต่ถ้าเขาเป็นมนุษย์แหละที่นี่เขาทําอะไรเราไม่ได้สั้นอย่างเพราะไอความโลภความโกรธเบียดเบียนเขาไม่ได้เขามีอาวุธคือเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นมนุษย์คือเขามีศิลปะเขาฝึกทุกวัน เขามีทานทานก็คือการเสียสละเ อ, อเื้อเฟื้ออนุเคราะห์สงเคราะห์แม่เ่ะเราเปรียบคนอือนเห็นไม่ดีไหมอันนี้แหละความเจริญเบื้องต้นแค่เบื้องต้นนะยังไม่ได้ถึงฌานเลยยังไม่ถึงการภาวนาคือสมาธิจะโยมนั่งอยู่นี่มีแต่ฝึกสมาธิหมดเลย <c oughs> เห็นไหมล่ะคํ <c oughs> าว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่หลับตาแล้วเห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่แล้วเป็เดาแล้วก็อวดคนอื่นนะ การปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีเราจะเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมมันสูงส่งกว่าคนอื่นแต่ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมคือบรรเทาทุกข์ความโลภความโกรธความหลงมาครอบงำใจของเราเราต้องมีสติเขาเรียกอะไรสติธรรมมีการตั้งใจที่ดีสนาต้องต่งตั้งใจให้มัน่นแล้วก็มีความอดทน ให้ความชั่วไล่หรือความ โ, มโกรธความเกลีดมันผ่านไปด้วยความอดทนบ้างด้วยการตั้งใจมั่นบ้างท่านว่าปฏิบัติธรรมไม่มีชุดหรอกปฏิบัติธรรมไม่มีพิธีกิเลสมันไม่เอาพิธีไงกิเลสมันไม่มีรูปแบบไม่ใช่เหอเรอเมะเหอมันก็อัดเราเลยเวลาเรายิ่งเลี้ยน้อยเรายิ่งไปอวดกันเรื่องพิธีบ้างเรื่องอะไรบ้างเต็มไปหมดเลย หลวงพ่อว่ามันเข้าไม่ถึงแน่ๆมิแต่ยอกันแต่จิเลตมันไม่เด็ดสนใจเรื่องนั้นพระราชายาจกเศรษฐีขอทานมันกวดเรียบหมดเลยไม่มียศเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมน่ะมันเป็นอากาลิโกไม่เรียกการไม่เรียกเวลาไม่เรียกสถานที่ยืนเดินแน่นอนเรามีสติเพราะเราฝึกฝึกกับอะไรสติฝึกกับสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มากระทบมีอยู่ ตลอดเวลาเวลายืนเดินนั่งนอนแล้วเราปฏิบัติทำเวลาไหนก็เวลาที่เราลืมตาอยู่นี่แหละทำหน้าที่การงานน่ะคนอยู่ในหน้าที่การงานเดียวกันอิจฉาก็มีลิสยาก็มีการแก้งก็มีดู ถ, ถูกก็มีว่าร้ายก็มีย่ อ, อ ก, ก็มีแล้วเราจะรู้ทันได้ไงอันนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือการบรรเทาความร้อนให้มันอุณหภูมิลดลงคือบรรเทาทุกข์ทความวุ่นวายให้สงบ เราไม่ได้ไปบังคับให้เขาหยุดวุ่นวายหรอกเราหยุดใจของเราไม่ให้ไปวิ่งไปตามสิ่งที่กระทบท่านว่าฝึกสติสัมปชัญญะเวลาเราว่างแล้วก็ฝึกอยู่ที่ลมหายใจบางทีก็จะได้ฌานว่างไปแล้วแต่เหตุอันนี้คือการไม่เสียเวลาในการเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะประเสริฐได้ถ้างั้นเราจะประเสริฐยังไงล่ะแค่เกิดมากินแล้วก็รอวันตายเท่านั้น ไม่มีใครจองอะไรได้สักอย่างบางทีเรามียศในร้อยในพลนในพันถ้าเราไม่มีศีลธรรมเขาก็ถอดยศเราได้จับเราเขาคุกก็ได้ถ้าเรามีศีลมีธรรมไปทำหน้าที่การงานอยู่ที่ไหนเจ้านายก็รักอยู่นามเท้าไหนเขายิ่งอยากไม่ให้หนีเพราะมันมีสง่าราศีสง่าราศีไม่ใช่ยอกันมันเป็นเองโดยหลักธรรมชาติที่การเป็นอยู่ ถ้าใครฝึกหัดให้เป็นมนุษย์ได้บุคคลนั่นละ่ะวิเศษเพราะมันซื้อไม่ได้มันขอไม่ได้มันแต่งยศให้กันไม่ได้แม้แต่พระราชามาบังคับเอาสินห้าตัวเดียวของเรายังไม่ได้เลยต้องบำเพ็ญเองแล้วเวลาของเราอยู่ในโลกมนุษย์มันเหลือมากเท่าไรละ่ะหายใจเข้าไม่หายใจออกมันก็ตายแล้วใครมีอะไรมีสิทธิ์ไหมไม่มีเลย เอาทองคํามาวางไว้ข้างนี่เอาเพชรมาวางไว้บนหัวเอาเงินมาวางไว้ข้างนี่เว ล, ลาจิตออกจากล่างมีสีทธิ์ไหมหมดสีทธิ์เพราะฉะนั้นการเข้าถึงวัดที่สามที่นี่ภาวนาวัดถึงจะสมบูรณ์นะทําไมถึงต้องภาวนาล่ะหลวงพ่อค า, วารวะญาติโยมนี่แค่ทานกับศีลไม่ได้หรือเรามีใจไหมล่ะ เรามีใจไอ้ความโลภโกรธหลงมันก็ลางใจเราไม่ให้ให้ไม่ให้ตั้งมั่นนะมันให้วุ่นวายแหลถ้าใจวุ่นวายแล้วมันก็สั่งกายกับไอ้วาจาไปทางวุ่นวายเหมือนกันจะไม่ะเราก็อยากฝึ ก, กจิตให้สงบ เ, เวลาว่างก็เอานั่งฝึกสมาธิทีนี่อย่าไปคิดว่าฝึกแล้วต้องให้มันวาบสว่างทั้งนั้นวาบสว่างทั้งนี้ จิตเย็นสบายนิ่งสงบคุยปวดเขาคำว่าฝึกสมถาคือฝึกสมาธิหรือภาวนาเนี่ยพยายามตั้งสติรู้อารมณ์อดีตอนาคตเกิดขึ้นเาแวบไปดับไปแต่เราอารมณ์หายใจเข้าหายใจออก จะ ก, กำหนดด้วยก็ได้ว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรือหายใจเข้ามันเย็นเย็น <_ d ose> เพราะมันเป็นอากาศบริสุทธิ์หายใจออกมันอุน่นอ่นเพราะมันผ่านร่างกายอันนี้สัมปชัญญะทำอย่างนั้นด้วยความมีสติระลึกรู้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปบังคับให้มันสงบไม่ต้องบังคับมันวุ่นวายเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าวุ่นวายแต่ไม่ให้ไปกับเขามันขี้เกียจก็ให้รู้ว่ามันขี้เกียจมันง่วงก็ให้รู้ว่ามันง่วง สติคือความระลึกรู้ซ้ำไปจัญญะความรอบครอบรอบรู้ไม่ได้เอาผิดเอาถูกกับใครไม่ได้ไปให้ไปเอาคะแนนว่าต้องให้สงบโอ้ยหลวงพไม่สงบหรอกคําว่าไม่สงบนั่นเราอยากแต่พระพุทธเจ้าสอนเอาความบริสุทธิ์เอาล้มในเรื่องของบริสุทธิ์จ ะ, ะ, ะเข้าไม่จะออกไม่ได้เสือกใครหรอก เวลามันปวดขาเขาอดทนเอาท่านว่าขันติปรมังตาโปขันติเป็นตะบะเครื่องเผาเกิเลสแน่ทาให้จิตตั้งมั่นได้ที่นี่เราจะได้สร้างตะบะสร้างตะบะทําทไมเทวดาถึงทําไม่ได้ทําไมพรมถึงทําไม่ได้เข้าสู่นิพพานไว้ได้เพราะเขาไม่มีไอ้นี่แหละไม่มีทุกพรมนี่มีแค่ขันสองคือรูปฌานและรูปฌานทําไมพรมไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชาย ก็ไม่มีสิเพราะว่าไม่มีเพศให้รู้สึกว่ามีราคะตันหาเพราะฉะนั้นพรมจริงไม่มีตัวผู้ตัวเมียเทวดามีตัวผู่ตัวเมียเทวดาจึงมีเทพบุตรและเทพธิดามีปราศาสตรคือวัตถุกรรมมีเจ้าเจตแต่การคือพัสดุกรรมมีผู้หญิงผู้ชายคือกิเลสกรรมมีกรรมมาคุณห้าสมบูรณ์แต่ไม่มีทุก์ที่นี่ก็เลยไม่มีอริยสัจ เข้ามร์ไม่ได้บํเพียเข้ามร์ไม่ได้แต่มนุษย์มีธาตุสีมีขันหา้ามีวิญญาณกรองมีหมดทุกอย่างเลยมนุษย์ยึงบํเพียนเข้ามร์ได้เพราะมรกมีมีอริยสัตว์คอว่าอริยคือสีใช่ไหมคือสัตว์คือของจริงสี่อย่างให้เข้าถึงเข้าถึงได้ยังไงด้วยใจตั้งมั่น ทำยังไงใจถึงจะตั้งมั่นเพราะมันต้องผ่านทุกทุกเนี่ไม่ใช่ทุกแบบคิดเอานะทุกแบบวิชีวิตเขาแลกหลวงพ่อบอกว่านั่งอย่าขยับปวดขาก็ปดเราเราต้องที่นี่เราต้องใช้ขันติบารมีแล้วเราสวดมานานแล้วไม่ใช่หรือขันติบารมีสัมปันโนอิติปิโสพระกวาว่ากันนั่นนะพอมาถึงแล้วจะปล่อยทําไม ก็ไม่ใช่วิริยะบาลีภาคเพียรประครับประคองใจไม่ให้หวันไหวกับทุกข์ที่เกิดขึ้นพรธเจ้าธรรมะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยขีย้ลงในอริยสัจทั้งนั้นทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นสัจจะเป็นของจริงที่มีอยู่ให้ตั้งใจให้ตั้งใจดูพิจารณาดูว่าทุกข์เป็นเราหรือเราเป็นทุกข์ที่นี่ ถึงเราจะเรียนมาบำเพ็ญทานบำเพ็ญศีลมาเรียนจบประโยชนเก้ามารู้หมดแต่เมื่อยังไม่พิจารณาอริยสัจเมื่ อ, อไหร่ให้ชัดเจนจิตก็ไม่สามารถตั้งมั่นและเข้าสู่มรรคได้แม้แต่ฌานก็ยังไม่ได้เลยอย่าว่าแต่มรรคเลยเห็นไหมพรมมรรคสิมหกชั้นเขาก็ยังเข้ามรรคผลนิพพานไม่ได้เลยยังไปติดในรูปและอรูปเลยก็ไปเกิดในพรมมรรค เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนาแล้วมันจะได้บุญเลยไม่ใช่เราต้องฝึกหัดตัวเองแล้วสิ่งที่ฝึกหัดก็ไม่ได้ขอกับใครไม่ได้ซื้อกับใครด้วยไม่เสียเวลาอยั้งหา่าการดำเนินไปในชีวิตประจำวันนี่ก็ไม่ได้ไทําให้อืดอัดขาดเคืองว่าโอ๊ยหลวงพ่อมันยุ่งยากนะปฏิบัติไปด้วยทางานไปด้วย ทำงานพุทธเจ้าก็สอนให้ทำงานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เลยอย่างงานที่เราทำมันก็บริสุทธิ์ไม่ให้งานไม่ให้เปรตเพื่อนด้วยมันก็รักษาศีลได้ด้วยถ้าเราตั้งใจนะถ้าเราเป็นมนุษย์อะนั่นแหละความสูงสุดของความเจริญอยู่ที่มนุษย์และสามีภรรยาก็ไม่ดูถูกหมิ่นประมาทกันได้ในการไปการอยู่เทวตาละขันติเทวดากว่ารักษาทีนี่แล้วถ้าเราพิจารณาทุกได้ ทุกข์มันเกิดขึ้นเอา้าตั้งสติไม่ขยับขยื่นไม่หนีนิ่งลงไปกำหนดนิ่งลงไปทุกข์กับใจเนี่มันใช่เดียวกันไหมเพราะว่าทุกข์ก็เป็นทุกข์แต่ใจคือผู้ลูกไม่ใช่ทุกข์เพราะฉะนั้นต้องอาศัยธรรมที่นี่หนึ่งสติธรรมมีสติรละลึกรูก้วิริยะประครับประคองใจไม่ให้หวันไหว กับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีใครหลีกพ้นมันได้หรอกไอ้ทุกข์หน่ะต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านไม่ได้ก็เราก็ใบนี้ผ่านไม่ได้มึงก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่นี่แหละเรามีโอกาสแล้วเป็นมนุษย์แล้วเราจะปล่อยทิ้งไหมสอนเจ้าของตั้งใจให้มัน่นกำหนดนิ่งลงนิ่งลงเอาตายก็ตาย <laughs> หลวงพอเวทีที่วัดดสูกัะลำยอให้แม่วอกนั่งนั่งทุกบางคนก็จิตสงบนะเพราะทุกมันแตกดับพิจารณาไปเรื่อยตั้งนิ่งไปเรื่อยแม้แต่พระพุทธองค์ของเราจนสลบเราคิดว่ามันทำง่ายเหมือนกับเราคิดเอาเลยเราก็เคยบำเพ็ญทานศีลภาวนามาตั้งนักเท่านักเล้าไม่ร้อยกี่ร้อยชาติพันชาติแล้วแต่ทาไมมันไม่ไปเพราะเราข้ามทุกไม่ได้นี่เอง รวบรวมบุญวัสนาวรมลลีมาหลายภบหลายชาติแล้วก็มารวมกันที่จะมาพิจารณาอริยสัจเนี่ยแหละอย่างอื่นมันไม่มีเพรอริยสัจเนี่ยทําให้เกิดแจ่เจ็บตายเมื่อเมื่อตั้งเข้าตั้งอาดเข้าอาดเข้าแล้วรักษาใจให้นิ่งแล้วมันก็แตกนะแตกจริงๆหัวใจนี่ขาดสะวันไว้คนละทางลเลยเหงื่อแตกออกกายจะแตกจะพังสุดท้ายมันก็ขาดออกจากกัน เหลือใจใจล้วนๆเท่านั้นใจก็สงบนิ่งเพราะอันนั้นมันแตกดับแล้วทุกจนสุดแล้วก็แตกดับเมื่อทุกมันดับแล้วท่านว่าอะไรนี้โลทะคือความดับเขียนได้ชัดเจนเลยที่นี่เมื่อใจเห็นอย่างนั้นเกิดปัญญาโอไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเกิดแล้วแตกดับไปอย่างนี้นี่เองตอนแรกเรานึกว่าทุกเนี่ยเป็นทุกเป็นเราเท จริงๆจังๆ จ, จ, จ, จ, จะทำให้เราตายแต่ไม่ใช่เมื่อทุกแตกดับแล้วปรากฏแสงสว่างขึ้นความสุขเกิดขึ้ น, ใ, นใจรวมกันตั้งมั่นเป็นสมาธิอันนี้ได้ความสุขขั้นที่สองนะความสุขในในขั้นผัสสะผัสสะธรรมลมพิติสุขความสว่างสวยัยโอภาโส บางคนอินทรีย์พร้อมก็เข้ามรรคได้ล่ะแต่ถ้าอินทรีย์ไม่พร้อมก็จิตตั้งอยู่ได้สวยปิติสุขก็ออยังดีแต่ช่วงนี้ก็คงจะถ้าบุญวาสนาเก่ามีก็คงจะมีฤทธิ์โน่นฤทธิ์นี่ตามเรื่องนั่นแหละแต่มันเลือกเอาไม่ได้นะตามวาสนาคนที่จะเกิดขึ้นได้ก็คนคนที่เคยบำเพ็ญตะบะมาหลายชาติอันนั้นน่ะมีฤทธิ์ทนวามีอภิญญา แต่ถ้าคนที่ไม่เคยบาเพ็ญตะบะมาพึ่งจะมาได้ไม่เกิดอภิญญาไม่ใช่มันเลือกเราได้อันนี้คือศักยภาพของมนุษย์ที่เราจะทำได้แต่เมื่อเราเข้าสู่มรรคแล้วที่นี่เราก็ลืมตาได้ที่หลวงพ่อพูดเกินเบื้องตน้นอันนี้คือ ส, สิทธิที่เราจะได้ทุกคนไม่ใช่ว่ามาหากินแล้วก็รอวันตายรอวันรอวันไปอุบุญอยู่ที่วัด เปลศีลอยู่ที่วัดอันนั้นมันไม่ใช่มันเป็นพิธีกรรมมันเป็นระเบียบเฉยๆของชาวพุทธแต่การปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะทำแบบหลวงพ่อพูดนั่นแหละได้ทานทุกวันได้ศีลทุกวันได้ภาวนาทุกวันภาวนาคือการฝึกสติสัมปชัญญะมันจะมีฤทธิ์มีเดยนมากน้อยเท่าไหร่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันไปไม่ได้มันก็พูดไปตามเรื่องด้นเดาเกาหมัดไปนั่นแหละ แต่ถ้าขาดสติสัมปชัญญนะมันเป็นไปไม่ได้สักอย่างแม้จะจิตสงบมันก็ฟั่นเฟือนไปหมดนั่นแหละแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะมั่นคงที่ได้ฝึกดีแล้วนั่นะไม่เสียหายสักอย่างนั่นได้บุญตลอดเมื่อเวลาว่างค่อยไปวัดชวนกันไปวัดไปบาเพ็ญทานถวายพัะตาหารไปฟังเทศหรือขัดข้องถามครูบาอาจารย์ เวลามาอยู่บ้านก็ทําหน้าที่การงานก็ไม่ขาดไม่เสียบำเพ็ญจิตใจเมตตาได้เพราะว่าเราสอนเราเองได้แล้วบำเพ็ญสินห้าได้เราได้สินทุกวันแล้วเนี่ยมันได้ขาดเก่าทุกวันอันนี้คือสิทธิ์ของชาวพุทธที่จะได้ท่านว่าพุทธธรร ม, มะกะไม่ใช่ว่าต้องรอถ้าต้องรออย่างนั้นเราก็คงหมดหวังแล้วบางทีความตายมันใกล้เข้ามาแล้วมันจะมาถึงเราเมื่ อ, อไหร่ก็ไม่รู้ หลวงพ่ออยากให้เข้าถึงวัดจริงๆเหมือนกับพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีวัดอันงามสม่ำเสมอผู้นั้นจะไม่ตกไปสู่ที่ชั่วที่เลวทรามถ้าเราเข้าถึงวัดจริงๆแบบธานวัดศีลวัดภาวนาวัดเนี่ยนะหลวงพ่อว่ามันได้บุญทุกวันได้บุญทุกเวลาจิตผ่องใสอยู่เรื่อยเพราะเป็นคารกัดเกาอยู่เรื่อยเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะอยู่เนืองตลอดเว ล, เวลา อันนี้คือพุทธมามะกะชาวพุทธมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงมรดได้มีสิทธิ์ที่จะลืมตาได้แต่ถ้าเราไม่ลืมตาได้เราก็ยังหลับตาไปเรื่อยๆไปอยู่พุทธโลกก็หลับตาไปอยู่สวรรค์หกชั้นก็หลับตามีฤทธิ์มีเดชเท่าไหร่ก็ยังหลับตาอยู่เพราะมันก็ไม่เข้าถึงมรดจกักษุยังไม่เกิดจักขุงอุทภปิยาังยังไม่เกิด ถึงเรียนรู้มาเท่าไหร่มันก็ไม่เปลี่ยนไปได้เพราะอันนั้นเป็นสัญญาถึงจะคิดมากเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นได้แค่สังขารถึงจะรู้มากเท่าไหร่นนันเป็นแค่วิญญาณขันเท่านั้นแต่ผู้รู้ไม่ใช่ความคิดมันคนละอย่างผู้รู้คือใจผู้ถูกรู้คือสิ่งที่ผ่านไปผ่านมามันกับเราลืมตาเนี่ยเราเห็นค น, นี่ หลวงพ่อจะถามว่าคนนี้ใส่ชุดขาวไหมคนนี้ใส่ชุดดํำไหมหลวงพ่อจะถามทําไมเพราะหลวงพ่อเห็นแล้วแต่ถ้าหลวงพ่อหลับตาล่ะสงสัยหมดเลยหลวงพ่อเปรียบว่าเหมือนกับปุถุชนคนที่ยังไม่ลืมตาคือคนตาบอดทัานว่าปุถุชาหนังปุถุชนไม่เหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลาย ต้องพ่ออยากให้ปฏิบัติแบบนี้เราถึงจะเกิดความสุขได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองได้ไม่ต้องรอไม่ต้องให้ทําพิธีนั้นไม่ต้องเสกอันนั้นไม่ต้องอ้อนวน อ, อ, น, น, น, อ, อ น, วนขอกับอันนั้นอ้อนวอนขอกับอันนี้แล้วเราจะไปพึ่งคนอื่นอะ่ะมันจะพึ่งได้หรือแม้แต่เขาเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยอันนี้เราเป็นมนุษย์มันสมบูรณ์แล้วไม่ต้องขอไม่ต้องพึ่งไม่ต้องอ้อนวอนหรอก เรามีสมบัติเต็มส่วนแล้วพระพุทธเจ้ามอบให้หมดแล้วปฏิบัติเลยบำเพ็ญการเสียสละโอ้ยหลวงพ่อไม่มีเงินจะทำไงแม้แต่การให้เอาัยคนอื่นมันก็เป็นทานการพอยินดีในคนอื่นเขาทำดีก็เป็นทาน น, นิดๆด น, น, นหน่อยพอยช่วยได้ช่วยฝึกให้เป็นแค่เป็นนิสัยเราแค่นั้นอย่าเห็นใจตัวอย่าเอาละเราเปียบคนอื่นอย่าตู้ถูกเป็นตั๋ ม, นมคนอื่นใจเราจะตา แต่ย๋ยว่าไล่ใส่ไล่คนอืินบุญเรามันจะน้อยก็สอนเจ้าของฝึกเยอะอย่างนี้ท่านว่าพุทธมามกาผู้ที่เข้าถึงการปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสว่าการล่วงรับไปแห่งเราตถาคตพระธรรมวิัยที่เราตัดดีแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราตถาคตเมื่อพวกเธอประพฤติปฏิบัติตามคําสอนอยู่อันนั้นแหละเหมือนกับอุบาหะเราตถาคต เมื่อพวกเธอเห็นธรรมคือเห็นเราตถาคตนั่นแหลหมายความว่าพวกที่เขาลืมตาแล้วเขาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วทำไมถึงเห็นเพราะว่าอริยสัจสี่เกิดขึ้นเพราะว่ามีแต่ผู้ที่ลืมตาแล้วเท่านั้นที่จะเห็นผู้ที่หลับตาเนี่ยถึงจะใขรควรเท่าไหร่แต่มันก็ยังไม่เห็นไม่เห็นความจริง แต่ผู้ที่เห็นความจริงแล้วเขาโอ้พราะพระพุทธเจ้ามีเพราะทำส่วนนี้พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ได้มาตัดสู่คาว่าตัดสู่คือมาค้นเห็นมาค้นให้เข้าไปถึงความจริงอันตัวนี้เพราะไม่มีใครเอาหนีจากนี่ไปได้จึงรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีเพราะถ้าไม่เห็นอันนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ไม่ใช่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระอาหารหันต้องผ่านไอร้ระยะศัตด์สีนี่แหละถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระบดงจึงประกาศว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นเห็นหมถ้าเราไปเห็นเราก็รู้จริงๆอย่างนั้นนะเพราะธรรมอันนี้เป็นธรรมชาติที่มีอยู่ไม่มีผู้ใดเอาออกเอาเข้าได้แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เพิ่มไม่เติมได้ มันก็มีอยู่อย่างนั้นนะเต็มเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่หนีไปไหนแล้วก็อยู่ที่เราทุกคนทุกคนที่เป็นพุทธมามะกะมีคำสอนของพระเจ้ามีสิทธิ์เข้าถึงเหมือนกับขั้งสมัยพุทธกาลสมัยนี้ก็ยังมีนะหลวงพ่อก็เห็นเยอะอยู่อนาถาบินทิกามหาเ ศ, ธธศรษฐีสิทิชัยเศรษฐีนาง วิสาขามหาวับสการ่รวนถึงจะเป็นคารวะบทนะเขาก็คลองเรือนอยู่มีลูกมีเต่าเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกวันนี้ก็มีอยู่นะมาถามหลว ง, งพ่อเออหลวงพ่อผมเห็นอันนี้แล้วนะเขาพูดไปโอ้มันก็จริงเพราะคนทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงทุกคนเมื่ออินทรีย์แก่ก้าเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยบำเพ็ญมากี่ชาติแล้วยังไงบ้างดังชาตินี้เราก็บำเพ็ญต่อมันก็เข้าถึงได้ง่าย ถ้าเราอยากรู้เราก็บ่มเพ็ญอินทรีย์ให้แก่กล้าจิตดวงนี่มันไม่ตายหรอกอย่าไปกลัวเลยถ้ากลัวตายก็อย่าไปนอนหลับทำไมล่ะก็จิตมันออกจากล่างเหมือนกันไม่ใช่หรื <laughs> นอนหลนเาจิตก็ออกจากล่างตายมันก็จิตออกจากล่างมนันเดียวกันนั่นแหละลองสังเกต ด, ดูนะจิตออกจากล่างแล้วไม่มีสิทธิ์เลย อะไรก็ไม่มีสิทธิ์พระไรชาก็ไม่มีสิทธิ์ในครือข่าปราศาทเลยเพราะจิตออกไปแล้วจากธาตุสีก็เหลือแต่ธาตุสีเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญเนนะี่ยตอนที่เราฝึกสมาธิสติปัญญาเนะี่ยพิจารณาทุก์เนะี่ยไม่ต้องหนีไม่ต้องถอยหรอกเผาลงไปเลยเอาหัวใจเนี่ยแลกกับทุกขไปเลยเหมือนกับว่าเอาหัวใจถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไปเลย ถวายทำอะไรทำขันตีทำเป็นทำไม่ไรวิริยะรมสติทำใจถึงจะตั้งมั่นเป็นสมาธิทำได้ไม่ใช่พูดแต่ชื่อนะอันนั้นเอาตัวจริงเลยผู้ดวงจึงกล่าว่าผู้ใดมีความแกล้กาสามารถจิตใจตั้งมั่นสามารถเข้าสู่มรรคได้ในแค่ลัดนิ้วมือเดียวลัดนิ้วมือเดียวนะ นลงพ่อคือพูดง่ายใท่ไหเอ้าขนาดจิตหนึ่งคือมา ก, กับผลไม่ใช่แบขนาจิตหนึ่งเกิดดับโอ้เกิดแล้วดับไปโอ้มันเป็นอนัตตานี่ตอนแรกตอนแรกเรานึกว่า ม, มันเป็นเราเป็นเขาที่นี่ไอ้ความชิดมันแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปโอ้มันไม่ใช่เราความชิดก็ไม่ใช่เราความจำก็ไม่ใช่เรามันเป็นขัน เป็นอนัตตาอนัตตาไม่ใช่มรรคผลหรอกมันเป็นทางเดินทางไปสู่มรรคเป็นสู่องค์ของปัญญาหลวงพ่อพูดเรื่องปัจจุบันที่เราควรจะทำได้ไม่ใช่อ้อนวอนขอว่าขอให้ข้าจเจ้าไปเป็นเทวดาขอให้จเจ้าไปถึงนิพพานไม่ต้องขอขอศีลกับพ้าเนี่ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องขอขอทำไมกัเราปฏิบัติท่านที่ไหนจะมาช่วยเราได้เนี่ย แค่ท่านว่าศีเลนะสุขติงยันติถ้าพวกท่านมีศีลพวกท่านจะมีความสุขเนื้อซาทุวะศีเลนะโพกัสมบัติพเมื่าพวกท่านมีศีลพวกท่านจะมีพวกกทรัพย์ได้สาทุอศีเลนะนิพุติงยันติเมื่อเพื่อนท่านมีศีลจะไปถึงนิพพานได้ก็ว่าราะศีลได้ด้วยการไรชนะและซาทุแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเลยไม่สนใจซะเนี่ยก็สาทุเอาเฉยเฉยหน่อนะแต่ถ้าทําแบบลองพ่อพูดเนี่ย มันเข้าถึงจริงๆมีผลจริงๆได้รับผลจริงๆชาตินี้แหละไม่ต้องไปเอาชาติน้าหรอกชาติน้ายังไงเมื่อเอานอนหลับชาติเรานอนหลับเราจะฟื้นไม่ฟื้นก็ไม่รู้เนาะเอาตอนที่เราฟื้นอยู่นี่แหละตอนที่เรายังไม่หลับนี่แหละมันถึงจะสอนลูกสอนหลานได้ถ้างั้นเราจะเอาไปอะไรไปสอนเขาละ่ะถ้าเราไม่รู้จริงๆพ่อแม่ไปวัดเนี่ยได้บุญยังไง ตอบอี้มันกูจะตอบมันว่ายังไงวะกูก็ไม่เคยเห็นบุญสักทีเพราพระพุทธเจ้าตรัสกับอนัตถาวินทิจกาว่าอนาาัตถาการลักเว้นบาปนั่นแหละคือการบําเพ็ญบุญการลักเว้นบาปคือการบําเพ็ญบุญใจดวงเดียวนะ่ะไม่นานก็เป็นบาปไม่นานก็เป็นบุญทํายังไงถึงจะให้เป็นบุญก็ต้องละ บ, บาปบาปมันเกิดขึ้นมาเวลาไหนก็ไม่รู้ บางทีมันก็วูบมาลดความกรดหนะนะ่อบางทีก็วูบมาลดความโลภมาถ้าเราไม่ทันก็เป็นบาปแล้วนะเจดงเดียวใช่ไหมเราทำยังไงถึงจะละบาปได้ใจเราถึงจะเป็นบุญถ้าเขาถามว่าแม่พ่อบุญเป็นตัวยังไงอะ่ะ <laughs> ต้ากันว่ายังไง <laughs> แต่พอแไบ พาเขาว่าสังฆทานกับนิพพานนะปัจโยโหตุจะไปถึงนิพพานเลยคำว่าไปถึงนิพพานเนี่ยนิพพานคืออะไรตอบเขาได้ไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานคือความดับดับความร้อนถ้าจะว่าไอ้ความร้อนนะดับความร้อนให้เย็นนิพพานคือความดับเย็นใช่ไหม ดับความร้อนใจของเรานะ่ะมันร้อนลุ่มด้วยความโลภความโกรธกรุ้กุนทำให้เศร้าหมองขุนมัวเราจะดับมันด้วยวิธีไหนเอาอย่างนี้ใกล้ๆเข้ามาหลวงพ่อจะทิ้งปัญหาไว้ให้พระพุทธเจ้าตัดในบทหนึ่งว่าพวกเธอทั้งหลายจงหาเหตุแห่งความเกิดให้ได้ แล้วก็ทำลายเหตุแห่งความเกิดนั้นเสียความเกิดต่อไปก็ไม่มีจะเอาอยัางไงไม่มีใครตอบเลยลืมตา멍 ม, ม, ม่ง멍เเม่งอย่า <c oughs> เราเกิดในภพมโลกเกิดในเทวโลกเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เกิดเป็นเปียกสุกัยสัตว์นรกก็เกิดหมด อะไรพามาเกิดที่นี่น้องพ่อพูดไม่ไม่เหมือนพระ อ, องค์อื่นนะพระ อ, องค์อื่นเขาไม่พูดอย่างนี้น้องพ่อพูดย่อนรัตตตอนให้เข้าใจแล้วก็ทำได้ด้วยถ้าพูดกันง่ายๆแบบชาวบ้านบ้านเราว่าเอ๊ะมันนี่ยังไปเกิดในเทวโลกอะไรพาไปเกิดไปเกิดในภพมโลกอะไรพาไปเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์อนไรพามาเกิด เกิดเป็นสซาเดัิชานอันใด้าไปเกิดกรจิตดวงเกลาเนี่ยไปเกิดเป็นเปียร์อสุรกายได้รับทูไปเกิดเป็นสันนรกอันใด้าไปเกิดนอนเพ่นจงวาวัตตะสงสารวัตตะคือการหมุนเวียนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เราแมนอีหยังท้ามันไปเกิดกระจิตดวงเกลาเนี่ยว่าแมนตีว่ามัน ม, มันแยกล่างไปเกิดสุมองนี่เลยไหนหลวงพ่อไ ป, ไปเพสภาษาอีสานเดีวนี้ จิตดวงเก่าเนี่ยจิตดวงเดิมเนี่ยพาไปเกิดไปเข้าในร่างของสันเบลิชานไปร่างเข้าในร่างของเทวดาคือกายทิพย์ถ้ามันถ้ามันบ่มเพี้ยนได้ชานมันก็ไปเข้าในร่างกายของรูปชานแล้วเช่ารูปชานคือพรมก็ไปเกิดในพรมโลก<ๆ>พระอริยเจ้าสอนให้เราหาเหตุตัวนี้ให้ได้เหตุตุกติยโยหาเหตุแห่งความเกิดให้ได้ แล้วดับเหตุแห่งความเกิดนั้นเสียความเกิดต่อไปก็ไม่มีแล้วสัตว์ทั้งหลายกลัวทุกข์ใช่ไหมอยากข้ามทุกข์ใช่ไหมอยากข้ามเหตุแห่งทุกข์อยากข้ามวตาตาสงสารคือเหตุแห่งทุกข์ <c oughs> ถ้าเราอยากข้ามทุกข์เราก็ต้องพิจารณาทุกข์ดิคุณแกดอกแรกคือทุกข์ ในธรรมจักรพระพุทธเจ้าทำไมถึงชี้ลงในอริยสัจสี่่ะทุกสมุทัยนีรสมรรค่ะสี่อย่างซี่อย่างนี่ชี้ลงทุกก่อนเลยกุญแจดอกแรกชี้ลงทุกพวกเธอจงพิจารณาทุกให้มากจเจริญให้มากซึ่งทุกตั้งสติให้ดีรักษาใจให้มัน่นว่าทุกน่ะมันเที่ยงไหมไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเอาผิดเอาถูกก็บทุก แต่ตั้งใจให้มัน่นอันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องปฏิบัติจริงๆนะไม่ใช่คิดเอาแล้วเดาเอาให้มันเป็นอย่างงุน่นเป็นอย่างงี้ปฏิบัติยุบหนอคลองหนอสมาละหางพุทโธพุทโธหายใจเข้าหายใจออกเราหยิดสงบบ้างสว่างสวัยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกหลวงพ่อไม่เคยไม่เคยทำมาอย่างนั้นพระเจ้าชี้ลงทุกว่า ตั้งสติให้ดีเธอเธอจะตั้งสติได้ไหมกับดูทุกเนี่ยไม่ต้องหนีไม่ต้องถอยว่าทุกเป็นเราหรือเราเป็นทุกใจใจของเราเนี่ยมันว่าทุกเป็นเราทุกจะทําให้เราตายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะตายเราจะแฉนการกาอากาศมันจะใจขาดเดี๋ยวมันจะเป็นเอมภพมาพาดมันเห็นไหมหลวงพ่อโ น, น่นหลวงพ่อนี่มันก็ว่าไปนอ่องเจอทุกห น, นักหนักแม้แต่พระราชาเศรษฐีขอทานก็กลัวทุก พระเทวดาก็กลัวทุกขมก็กลัวทุกก็กลกเลยข้ามทุกไม่ได้เพราะฉะนั้นกุญแจดอกแรกก็คือทุกอริยสัจ ต, ตั้งสติให้ดีบุคคลไหนที่ตั้งสติให้ดีรักษาใจให้มั่นแล้วดูทุกไม่หนีไม่ถอยไม่ขยับแนะ่เข้าถึงฌานสีได้ภายในพริบตาเหมือนกับพระองคตรัสว่าบุคคลใดที่มีความแก้วกล้าสามารถ ต so ั้งใจมั่นพิจารณาทุกสามารถเดินเข้ามรรคได้ในขณะจิตหนึ่งเพราะถ้าทุกแดกดับแล้วมีสติรอบครอบดีเข้ามรรคได้บางคนนะนะอันนี้คือศักยภาพของมนุษย์ไม่ใช่เทวนาไม่ใช่อ้อนวอนขอไม่ใช่โอ้ยชาติหน้ายาไปชิด ชาติหน้าอาจจะไม่ถึงสําหรับเราเราจะมีสติปัญญาไหมเราจะเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าไหมไอชาติหน้านะ่ะนะแม้แต่นอนหลับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะตื่นไหมคิดให้มันรอบครอบไอที่เราเกิดมาเนี่ยจะทํางานได้เงินเดือนเยอะเงินเดือนน้อยหรืออะไรมันก็แค่หาจินจะทำขลืหดัดหรือกระต๊อบก็แค่อาศัยเท่านั้นหรอกพราะนอนหลับแล้วมันมันรู้ไหมว่ามันอยู่ประสาท มันรู้ไว้ไหมว่ามันอยู่กระทอบอะ่ะก็แค่พักผ่อนบางคนนอนในรถก็ได้แค่นอนหลับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสาคัญเอาไอว้นั้นเวลาของเรามันใกล้จะหมดแล้วหันเข้ามาเพราะเรามีหน้าที่คือการออกจากทุก์มีเรามีสิทธิ์ครั้งเดียวคือการเป็นมนุษย์แค่นั้นถ้าเราไปเป็นเทวดาเราก็ไม่มีสิทธิ์เลย ไม่รู้นานเท่าไหร่ว่าเจ้ามาตัดสะดุกี่พระ อ, องคเราถึงจะได้ลงมาถ้าเราไปเป็นสัตว์เลี้ยฉันก็บานตายไปเรื่อยๆเป็นสัตว์นั้นลรก็ยิ่งแย่ไปใหญ่อันนี้ช่วงนี้หลวงพ่อว่าเหมาะพอดีเพราะว่ามันเหลืออีกแค่ยี่สิบห้าชั่วคนเท่านั้นแล้วที่เราจะมามาสอบผ่านสองพันห้ารอยปีผ่านไปแล้วหรืออีกสองพันห้ารอยปี หมดหมดศาสนาอันนี้เราอยู่ในกึ่งพุทธศาสนายังมีคำสอนอันสมบูรณ์มีครูบาอาจารย์ที่ปรฏิบัติโยมก็เยอะนะที่ปฏิบัติเข้าสู่มังได้อยู่นะได้อยู่มีเยอะอยู่ไม่ใช่พิธีหรอกไอพิธีมันเข้าไม่ถึงเขาหรอกเพราะกิเลสมันไม่เอาพิธีมันไม่มีรูปแบบเราเนี่ยไปมัวแต่เอารูปแบบกับพิธีเอาจนนั่นก็ทิ้งไปหมด แต่พยามารเขาทำงานตลอด24ชั่วโมง <c oughs> เราจ ะ, ะนัางทำมากคำสอนของเจ้าในบทหนึ่งจึงว่าอกาลิโกไม่เรียกการไม่เรียกเวลาไม่เรียกสถานที่ยืนเดินนั่งนอนมีสติสมัยชัญญะพระดวงจึงสอนว่าให้ฝึกสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานให้มั่นคงไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องไปไล่เลียงเอาจำลูกสรของมันหลอก กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตาธรรมมาไม่ต้องเอาปัจจุบันมีเกิดอะไรขึ้นก็รู้ตามเหตุนั้นมีสติรอบคอบรอบรู้อะไรเกิดขึ้นก็ให้ตั้งสติให้มั่นคงใจคือผู้รู้ฟังให้ดีผู้ถูกรู้คืออารมณ์ที่ผ่านไปผ่านมาทางตาหูจหมูกเลี้นงกายไม่เที่ยงอย่าไปอิงอย่าไปให้คะแนน อย่าไปให้ศินบนรู้ตามความเป็นจริงพยายามปรับปรุงใจคือผู้รู่ให้เด่นให้มั่นคงจะมั่นคงได้เพราะความรอบคอบเพราะความอดทนใจถึงจะตั้งมั่นได้คือสมาธิคือใจตั้งมั่นสัมมาสมาธิคือใจตั้งมั่ น, มมมนไม่หวั่นไหวกับอารมณ์นิช้าสมาธิไม่ประกอบด้วยสติสมัชัญญะเต็มที่ เมื่อเข้าสู่ฌานได้จึงเกิดอุคคณิต์ปฏิภาณิมิตแล้วก็หลงแล้วก็เห็นเทวดาแล้วก็เทศผู้คุยกับเทพกับภูมิไปเรื่อยเดี๋ยวครูบายจารย์มาเทศในวังดีใจแต่ถ้าเห็นเขาจะมาฆ่าละ่ะมันก็กลัวมันก็วิ่งเขาเรียกว่าบ้าสุดท้ายก็ศีรษะญาบาั้งจิติเวทบาัางเพราะเขาไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมั่นคงแต่ถ้าสัมมาสมาธิ ใจตั้งมั่นถึงจะเห็นลูกข้างในหรือ ล, ลูกข้างนอกก็มีใจตั้งมั่นไม่วันไหวอันนั้นคือพระพุทธเจ้าสอนแต่สมาธิพวกขาดสติปัญญานะ่นะก็หลงเจ้าของว่ามีหูทิพตาทิพมิริทมีเด็ยอะไรนะสุดท้ายก็เป็นบ้าหลวงพ่อพูดไว้เฉยๆหรอกพูดเรื่องสติปัฏฐานให้มันแยกกัน เดี๋ยวจะไปหลงว่าเห็นโน่นเห็นนี่แล้วมันเป็นความจริงแต่มันเป็นขันห้าถ้าเราไปสําคัญมันก็เป็นอัตตาตัวตนเราเขาแต่ถ้าเราไม่สําคัญเราน้อมเข้ามาหาใจคือผู้ลูกมันก็เป็นอนัตตาเกิดแล้วดับไปเป็นทางก็สูม่มากมันแยกกันแค่เนี้ยแต่เราชอบไปเล่นอนั้นเล่นอันนี้นั่นเนะี้ยมันก็เลยหลงอันนี้คือความสามารถของมนุษย์ มนุษย์มีศักยภาพอย่างนี้หลวงพ่อจึงอยากว่าให้ชาวพุทธของเราทั้งหลายนั่นนะอย่าคิดว่าต้องไปทำพิธีก่อนต้องไปวัดก่อนต้องไปขอศินกับพระก่อนตอนนั้นไม่ใช่ทำเลยเราเป็นชาวพุทธเต็มที่แล้วทำเลยฝึกทานก็ฝึกเลยมีมากมีน้อยช่วยเหลือพอช่วยช่วยเลยไม่ต้องคิด แล้วเราเปรียบคนอื่นให้รู้ให้รู้ทันอารมณ์ที่มันจเจ้าแล้วเราเปรียบคนอื่นรู้ถูกคนอื่นให้รู้ทันว่างรู้จักให้อภัยคนอนื่นฝึกศีลฝึกเลยอย่าไปรออย่าไปให้เขายอมว่าเรามีศีลฝึกเพื่อตัวเองฝึกเพื่อไม่ให้มันมัดเราได้แก้เครื่องเครื่องพันธนาการของพระยาหมันไปเรื่อยๆอยมันมัดเราก็แก้ ม, มัดเราก็แก้เราห้ามเขาไม่ได้หรอก แต่เราอดทนได้อยู่ฝึกสติสัมปชัญญะภาวนาฝึกเลยไม่ต้องไปรอว่าต้องไปวัดต้องไปนั่งใส่ชุดขาวไอ้กิเลสมันไม่เอาชุดขาวกับเราหรอกไม่ไม่เอาเทปทีมันไม่มีรูปแบบกับเราหรอกอกาลิโกไม่เรียกการไม่เรียกเวลาไม่เรียกสถานที่ยืนเดินนั่งนอนอันนี้คือการปฏิบัติธรรมนี่แหละการปฏิบัติธรรมจรงิงๆยืนเดินนั่งนอน วิถีชาวพุทธเป็นอย่างงี้ความทุกข์มันจะมัดเราได้หรือไม่ใช่ว่าไม่มีเงินมันทุกข์อย่างเดียวนะขนาดมีร้อยล้านพันล้านมันก็ทุกข์นะแต่ถ้าใจของเราเนี่ยความโลภโกรธหลงมัดยากเนี่ยมันก็เอาทุกข์มาให้เราไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทุกข์ใจเป็นผู้สุขถ้าว่าร่างกายเป็นผู้ทุกข์อะ่ะพอจิตออกจากร่างเห็นร่างกายมันบ่นไหมเห็นตะกวนก็ ไม่เห็นมันบวนมว่าทุกทุกทุกไนงะเพราะฉะนั้นทุกมันอยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจถ้าใจของเรามีธรรมใจเราเขาบรรเทาทุกได้แต่ถ้าใจของเราไม่ได้ฝึกธรรมสติธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมสมาธิธรรมก็ไม่เกิดปัญญาธรรมก็ไม่มีช่องแล้วเราจะหาความสุขได้ที่ไหนเป็นพระราชาเศรษฐีขอทานก็ไม่มีความสุข เพราะฉะนั้นโอกาสของเรามีแล้วตั้งใจฝึกขึ้นคือขึ้นให้เกิดขึ้นวัดสามอย่างฟังให้ดีหนึ่งทานวัดฝึกเรื่องการเสียสละ 2. สองศีลวัดฝึกเจตนาตั้งใจเอาสามภาวนาวัดมันฝึกสติสัมปชัญญะไม่มีรูปแบบหรอกยืนเดินนั่งนอนพระเจ้าสอนอยู่แล้วนั่นละปฏิบัติธรรม อย่าคิดว่าการไปเข้าพิธีไปใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมหันไปทางนี้โอ้ยเขาไม่สำรวมร ม, รวมันเราหันไปโอ้ยเขาไม่สารวมมันเราโอ้คนนั้นพูดบ่อยคนนี้พูดบ่อยไม่สำรวจมันเราอันนั้นไม่ใช่ปฏิบัติธรรมหรอเขาว่าไปหาอะไรมาผูกมัดตัวเองให้ทุกข์ไปใหญ่ปฏิบัติธรรมจริงๆมีสติหันเข้ามาหาใหญ่ของเราให้รู้ทันอารมณ์ มีสติปัญญาปัญญาไม่ใช่ความชิดปัญญาคือความรู้รู้ว่าไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำปีใหม่ให้เกิดขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขในครอบครัวและสังคมในหน้าที่การงานคือให้เราฝึกปฏิบัติตนถ้าเราฝึกหัดแบบหลวงพ่อว่าไนงะงานทุกอย่างสมบูรณ์หมดดีขึ้น ครอบครัวก็อบอุ่นเงินทองก็ไหลมาเทมาเพราะใจของเรามันดีมันไม่ไหลหนีหรอกแต่ถ้าใจของเราไม่ดีแล้วเราจะเป็นด็อกเตอร์สักร้อยครั้งถึงจะมีเงินเดือนเยอะมันก็ได้รับทุก์มันก็ไหลหนีเพราะไอ้พยามาลมันไม่ปล่อยให้เราเดินผ่านหน้ามันง่ายๆหรอกมันลากเราลงไปสู่ที่ทุกข์ เพราะฉะนั้นหลวงพ่ออยากมอบไอ้ข้อวัดป ฏ, ฏิบัติสามอย่างไว้ให้ญาติโยมเอาไปพิจารณาดูก่อนที่เราจะหมดเวลาไม่รู้ว่าเราจะหมดเวลาจากโลกมนุษย์เมื่อไหร่หนึ่งทานวัดที่พระเจ้าตรัสว่าผู้ใดมีวัดอันงามสม่ำเสมอผู้นั้นจะไม่ตกไปสู่ที่ชั่วที่เลวสามให้เอาไปพิจารณาแล้วตั้งใจแล้วฝึกหัดเลย สอนลูกหลานด้วยว่าคุณภาพของมนุษย์จะมีได้ก็เพราะว่าเราฝึกอืทานวัตศีลวัตภาวนาวัตมันฝึกหัดตัวเองแล้วเราจะพบความสุขความเจริญเมื่อเราอยากไปนิพพานก็เมื่ออินทรีย์เราแก่กล้าล้วก็ลืมตาได้ไม่ต้องบอกหรอกถ้ามาลืมตาแล้วมันไปเลยมันเข้าถึงจริงๆแต่ถ้ายังไม่ลืมตาแล้วถึงจะอ้อนวันเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ เพราะเราไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นบุญกุศลใดๆที่ญาโยมทั้งหลายได้มากระทาบาเพ็ญในวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาขอให้เจริญรุ่งเรืองปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอขให้มีความสุขความเจริญทุกทั่วหน้ากันเืิด